ที่เราทำ ม, มาตั้งแต่วันที่สิบสอง งวันนี้คือวันที่สิบห้านี่คือความปรารถนาของหลวงพ่อที่ตั้งความปรารถนานี้เอาไว้ในชีวิตเพราะว่าก่อนที่จะเกิดมาในโลกนี้โยแม่ก็ได้นิมิต เรื่องของดอกบัวสองดอกนั่นแหละคือโยแม่นิมิตว่าได้ดอกบัวสองดอกก่อนที่ท่านจะมีกันของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็รู้แล้วก็แก้ไม่ได้ อตอนนี้ก็เลยแก้ได้แล้วว่าดอกบัวดอกที่หนึ่งก็คือตัวหลวงพ่อเองดอกบัวดอกที่สองออก็คือญาติโยมทุออ ก, กทุกท่านที่มารับฟังและก็ได้เอาไปปฏิบัติทำให้ธรรมะเบิกบานขึ้นมา ในดวงในดวงใจของทุกๆุกท่านฉะนั้นขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อชี้แนะนี่คือความปรารถนาในชีวิตหลวงพ่อเกิดมาเพื่อที่จะทำอย่างนี้หลวงพ่อไม่มี ภรรยาแต่หลวงพ่อก็มีลูกได้เยอะแยะหมดดันั้นความปรารถนานี้จะสมปรารถนาก็อยู่ที่พวกเราทุกคนศึกษาจริงปฏิบัติจริงจุดท้ายก็คือได้ผลจริง ดังนั้นชีวิตของหลวงพอ่อก็ไม่ได้เป็นหมันแล้วชีวิตที่เป็นหมันก็คือชีวิตที่ไม่มีลูกสืบทอดในวงตระกูลแต่นี้หลวงพ่อได้สืบทอดแล้ววงตระกูลก็คือตระกูลของพระพุทธเจ้า ไม่ใจตะกูลในทางโลกพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราทุกคนพระธรรมเป็นแม่คือท่านคลอดสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกในจักรวาลทุกๆจักรวาลคลอดออกมาจากพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นพ่อ พระธรรมเป็นแม่่วนพระอริยสงสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นพี่ของพวกเราฉะนั้นเราจะต้องเดินตามพ่อเราต้องเชื่อฝังพี่แล้วเราก็เอาพระธรรมคือต้นฉบับ ของความว่างที่สงบเย็นมาปฏิบัติเ่เราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันฉะนั้นในที่นี้ให้ถือว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาไม่ใช่ภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันไม่ใช่ สองภาษาของพวกเราก็คือภาษาโลกิยะจะเป็นภาษาหน่อยก็ได้ในโลกนี้เรียกว่าโลกิยะทีนี้อีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาโลกุตระโลกุตระที่เราบางคนฟังไม่ถูก โลกุตระก็คือเหนือโลกเหนือโลกไม่ใช่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศแต่เหนือโลกภาษาที่เราเรียนเราศึกษากันอยู่นี้ที่เรียกว่าเหนือโลกก็คือเหนือตาเหนือหูเหนือจมูกลิ้นเหนือกายเหนือใจเหนือสิ่งสมมติ ต่างๆไม่ยึดติดในอะไรทางนั้นนี่เรียกว่าเราเรียนภาษาโลกุตระภาษาที่อยู่เหนือโลกเมื่อเราเรียนภาษาเหนือโลกนั้นแล้วเราก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติด้วยองแห่งการปฏิบัติตามที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ปูทางเอาไว้ให้พวกเราก็คืออริยมรรคมงแปดนั่นคือทางเดินที่ท่านชีน้แนะให้พวกเราอริยสัจสี่คือผลแห่งการปฏิบัติและก็ต่อไปก็คือปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิด ทั้งฝ่ายดับที่มันอยู่ที่จิตใจของพวกเรานี่ไม่ใช่สิ่งภายนอกเรื่องปฏิจจาระมบทบาทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่ภายในเป็นเรื่องทุกแลเรื่องดับทุกโดยเฉพาะแต่ละคนแต่ละคน แะ่นั้นเราอย่าให้เสียเวลาที่เราเกิดมานี้เราอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียเวลาของตัวเองอย่าให้เสียเวลาของคนอื่นของคนอื่นเราก็ต้องช่วยตัวเองเราก็ต้องช่วยนี้เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นี่คือหน้าที่หน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ท่านทุกคนก็ทำหน้าที่เราอย่าทำหน้าที่เฉพาะแต่ประกอบวิชาชีพที่ได้เงินมาแล้วออกมาเลี้ยงปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นแต่อาชีพของเรานี่คืออาชีพ ภายในถ้าเราไม่มีอาชีพภายในไม่มีทางเดินที่ถูกต้องแล้วเราทำอาชีพภายนอกก็ทำให้เรามีความทุกข์ทุกระเบียดนิว้วได้มาเราก็เป็นทุกข์ไม่ได้สมปรารถนาเราก็เป็นทุกข์นี่มันจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นมันจะรุมเข้ามาทำร้ายเรา แต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นวิชาป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ก็คือวิชานี้คือวิชาในการที่ปฏิบัติในเรื่องของกายวาจาในเรื่องของจิตในเรื่องของการทำกิเลสให้สงบรำงับลงไปแล้วเราก็จะเป็นอิสระ เราจะไม่ติดคุกเราจะไม่ติดตารางแห่องอาวิชชาเอกต่อไปเพราะพวกเราที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของโลกุตรธรรมนี้เหมือนกับว่าเขาเอาเชือกมามัดเท้าของเราเขาไม่ได้มัดแน่นแน่นแต่ก็มัดรวม มัดทั้งสองข้างไม่มัดให้มันติดกันมัดให้เราเดินได้เราก็เดินได้เราก็ทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรานี่ยมันโดนมัดโดนมัดเสร็จแล้วเราเมื่อไม่รู้ทํำยังไงก็ทําให้มันรู้ขึ้นมาคือเชือกนั้นเป็นเชือกของอาวิ ชาเชื่อของอาวิชชาอาวิชชามันมามัดพวกเราไวา้มัดเมื่อไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะรู้ทุกครั้งว่าถูกมัดถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราถูกมัดอีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติตามอริยมรเมีองแปดให้เกิดจากส่ ให้เกิดยาให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาพอเกิดแสงสว่างขึ้นมาเราก็ดูเนื้อตัวของเราดูเท้าของเราอ้าวเรานี่มันถูกมัดนี่เชือกมันมัดอยู่เพราะมัดรวมๆเราก็เรยหาวิธีในการแก้เ ช, ชือกในการแก้เ ช, ชือกแห่งอาวิชญานั้น คือเชือกที่เขามัดไว้ที่เท้านั่นแหละนี่เราต้องแก้ทุกคนของใครใครก็แก้เองแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรตมีองแปดแล้วไม่เกิดจากขงอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโก อ, อุตปาทิเพราะถ้าไม่เกิด เห็นอริยสัจสเราก็แก้มัดไม่ได้ฉะนั้นเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อตำ ม, มาหากินร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเดียวเรายังมีงานที่จะต้องทำงานส่วนตัวก็คือเพื่อที่จะแก้มัดแก้ที่ก็ผูกเชือกมัดเท้าของเราเอาไว้นี่เราก็จะเห็น เห็นเมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมิลองแปดแล้วก็เกิดจากขงตาปฏิญาณังอุตป า, า, า, าธิเป็นต้นขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็แก้มัดที่เท้าของเราเอาเชือกนั้นทิ้งออกไปทีนี้เราก็ดูไปยังผู้อื่นเมื่อตอดสสองดูไปยังผู้อื่นคือพวก เพื่อนฝูงของเราญาติพี่น้องของเราก็ให้ถือว่าทุกคนนี้เป็นญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นในโลกนี้แต่ว่าญาติพี่น้องที่เป็นสายโรหิตก็เหมือนกับญาติพี่น้องห่างๆอยู่ห่างๆกันในนี้อย่างท่านทุกคนที่มานั่งปฏิบัติกันอยู่ที่ตรงนี้ มาถือว่านี่คือเป็นญาติทางธรรมแค่เป็นญาติทางจิตเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันโดยเฉพาะทุกคนนี้เป็นญาติกันเป็นญาติกันยิ่งกว่ายิ่งกว่าญาติสายโลหิตเสียอีกแต่ถ้าหากว่าญาติสายโลหิตมาปฏิบัติธรรมคนนั้นก็เป็นญาติเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นญาติธรรมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จะดึงเสด็จพ่อของพระองค์ให้เป็นญาติกันพระองค์ก็จะดึงราหุลให้มาเป็นญาติกันดึงใครๆที่อยู่ในพระราชวังของพระองค์ให้มาเป็นญาติกันเพราะญาติภายนอกมันห่างกันเหลือเกินพอเป็นญาติกันแล้วก็ต้องทำหน้าที่ร่วมกัน คือทำหน้าที่ในการที่จะแก้เชือกของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนแก้เชือกออกแล้วก็ช่วยผู้อื่นคือช่วยชี้แนะช่วยชี้แนะผู้อื่นบอกว่านั่นมันมีเชือกอยู่นะมันมีเชือกอยู่ที่เขาเอา ม, ามัดเอาไว้ที่เท้าทั้งสองข้างนั้นมันมีเชือกอยู่ถึงว่าเขามัดหลวมๆให้เราเดินได้ แต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามองแห่งมัดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ในอวัยดังนั้นเราทุกคนจงอย่าได้ประมาทในการที่เรียนรู้ในการปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็จะได้แก้เชือกที่มัดอันนั้น เมื่อแก้เชื่อของตัวเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นวันที่บอกให้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือความสบายใจของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดไปทำหน้าที่จากกี่เดือนกี่ปีอันนั้นจุดแล้วแต่ธรรมชาติที่มอบให้อันนั้นหน้าที่อันนี้เป็นทั้งหน้าที่ของหลวงพ่อ แค่เป็นทั้งหน้าที่ของท่านทุกทุกคนที่จะต้องทำกันอย่างนี้หน้าที่ภายนอกคือการประกอบอาชีพเพื่อปากเพื่อท้องอันนั้นเราก็ทำกันไปแต่หน้าที่ภายในคือภาษาที่เป็นภาษาโลกุตระเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือเรื่องอริยมรรคเมยองแปดในเรื่องของอริยสัจสในเรื่องของปฏิจจ ata โมบาทโดยละเอียดถ้าเราศึกษาโดยละเอียดด้วยตัวเองด้วยตัวเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วแล้วเราก็จานาญในการที่จะแก้เชือกอันนั้นแล้วแก้เชือกของตัวเองกว้างทิ้งไปเสียได้ เราก็เลยบอกคนอื่นบอกคนอื่นที่นี่เราจะเห็นได้อย่างไรเชือกนั้นเราจะเห็นได้อย่างไรถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิด <c oughs> จักกุงอุตปาทิคือดวงตาภายในเกิดญาณขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดวิจาขึ้นมาเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาเราก็เห็นเห็นภายใน เ่อเห็นในภายในไม่ใช่เห็นภายนอกหเห็นแล้วเราก็แก้เชือกนั้นทิ้งออกไปเสียภาระของเราก็จะหมดไปในเรื่องของตัวเองอนี้ยังเหลือภาระก็คือการช่วยเหลือของผู้อื่นเอนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดอาตมานี่ปรารถนาหลวงพ่อนี่ปรารถนาปรารถนามาตั้งแต่เด็กๆน้น เรียกว่าเราทุกคนที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เรามีอุปนิทัยอุปนิทัยแห่งการปฏิบัติธรรมในการแสวงหาธรมรมเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาทางนี้ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าอาตมา <c oughs> จะโคดสนาตัวเองท่านจะไปที่อาจารย์ไหนก็ได้มาที่นี้ก็ได้แต่ท่านจะต้องปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อจะได้วิชาคือการแก้เชือกอันนั้นแต่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่เท่ากับที่ตัวเองเอคือที่ตัวเองนี่เด็ดพอรับฟังมาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตัวเองนี่เรียกว่าสวากาโตเพระวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเอง นี่มันต้องเห็นได้โดยโด ย, โดยตนเองไม่ใช่มีความรู้รอบตัวเอาหัวไม่รอดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ถ้ายังเป็นทุกข์อยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องให้ทุกข์มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงทีนี้เราก็มีอาจารย์มากมายหลายองค์หลายท่านเมื่อเรารับฟังมาแล้วเราก็ออกมาปฏิบัติด้วยการออกมาใส่ดูในห้องแอบของเรานี่แหละ พอปิดปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้เมื่อดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเอาที่ปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้นี่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรากินข้าวไปแล้วเราดื่มข้าวไปแล้วมันหายหิวถ้ามันหายหิวก็เรียกว่าใช้ได้ที่เราดื่มน้ำคือพระธรรมนี้พอเราดื่มข้าวไปแล้วมันรู้สึกว่า ชุ่มฉ่ำเย็นแล้วก็ไม่หิวอีกต่อไปดื่มเข้าไปแล้วไม่หิวอีกต่อไปคือมันอิ่มคิดทีไหนก็อิ่มทีนั้นคิดถึงทีไหนมันก็อิ่มทีนั้นแล้วมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทีนี้อาจารย์ในประเทศไทยนี่มีเยอะแยะเต็มไปหมด นี่เป็นบุญของประเทศไทยแต่หลวงพ่อทำคนเดียวก็ทำไม่ได้ดังนั้นจึงมีอาจารย์รูปอื่นๆพระองค์อื่นๆวัดอื่นๆก็มีเยอะแ ย, ะ เ, ยะเต็มไปหมดมีให้ท่านเลือกเหมือนกับเราไปในตลาดสดที่เขาขายของนั่นแหละเสร็จแล้วก็เราต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ไปได้มะม่วงเน่ามาตาไม่มีตาก็ไปได้ของปลอมมา เราจะต้องมีตานี่คือภาคแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกๆุกท่านจงอย่าได้ประมาทจงอย่าได้ประมาทจงอย่าได้ประมาทกับชีวิตของเราเลยทำชีวิตของเราอย่าให้มันเป็นหมันเมื่อไม่เป็นหมันแล้วเราก็จะมีลูกมีเต้ามากกว่าลูกที่เรามีทางโกูกีคนสองคนสามคนห้าคนนี่ เราจะมีลูกเยอะแยะมีลูกเต็มไปหมดอย่างนี้เรียกว่าศาสนานี้จะไม่หายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นให้มันคุ้มค่าที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วมาพบพระพุทธศาสนาแล้วในพบพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่พบพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติให้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนวกลิ ผู้ใดเห็นธรรมชื่อนั้นผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมทีนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจธรรมอุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจธรรมอุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราฉันั้นพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าทีนี้พระธรรมที่สูงสุดหรือว่าพระธรรมที่เราศึกษาเพื่อจะเห็น ก็คือปฏิจจ en a มุปบาทการเห็นปฏิจจ a มุปบาทเราก็ต้องปฏิบัติตามองค์อริยมรรคเมื่อปฏิบัติตามองค์อริยมรรคแล้วก็เกิดเกิดอะไรก็เกิดเห็นอริยสัจก็เห็นอริยสัจก็คือนั้นแหละคือเห็นปฏิจจ a มุปาบาทอย่าไปแยกว่าอริยสัจกับปฏิจจ a มุปาบาทเั็นคนละเรื่องปฏิจจ a มุปาทคือทุกขโมุยไนโรธมรรคนั่น ก็คือปฏิจจตุปบาทวงเล็กวงเล็กคือตัวอย่างพอเห็นตัวอย่างอย่างนั้นแล้วก็ไปทําการบ้านไปทําการบ้านปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่วงใหญ่ก็คือปฏิจจบาตที่ตั้งต้นโดยอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอายตนะปัสสเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจรามรณนะ เดกาปริเทวะทุกขโทมานัตสาอุปยาตทีนนี้เมื่อเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็ต้องรู้ว่าช่วงไหนเป็นยังไงช่วงไหนเป็นยังไงเห็นแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สลัดความทุกข์สิ้งไปเช่นว่าเมื่อเราเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมกัก คือเห็นอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาหนทางให้ถึงความดับของอวิชชาแต่แล้วก็เอาอาลยสัจนั่นแหละไปทาบแล้วก็เอาไปดับอวิชชาตัวนั้นเมื่อดับอวิชชาฉังขานวิญญาณมันก็ดับตามกันไปหมดออดับตามกันไปหมดแล้วเราก็เริ่มที่จะเห็นพระพุทธเจ้ารางรางแล้ว เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็น้อมนาพระพุทธเจ้าคือความสงบเย็นนั้นนามาไว้ที่กายที่วาจาที่จิตของเราแล้วเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตนี้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับความดับอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบและมันก็เย็นนั่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้น ถ้าเราดูภาพปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจา้าจะชี้ไปที่วงว่างคือสุญญตาสุญญตาก็คือความไม่ยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งทั้งปวงเป็นนานิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็าไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้เมื่อภิกจูรูปเด่งไปทูลถามพระพุทธเจา้าว่าตาเอาอย่างโย่อๆได้ไหมใน ธรรมะในพระพุทธศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าได้เอาโย่อๆก็ไดนะ้ให้เธอจำเอาไว้ให้ดีสเพรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนี้ก็คือทั้งหมดเทพระองคสอนทั้งหมดในไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มนั่นแหละแต่สมัยก่อนแปดสิบเล่มแปดสิบเล่ม ทีนี้มันมากไปกว่านั้นสิ่งทั้งพวงก็คือทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่แหละที่ตาเห็นที่หูได้ยินจจโมได้กลิ่นลิ้นลิ้มลดกายสัมปัสจิตรู้ธรรมารมนั่นนั่นคือสิ่งทั้งพวงสิ่งทั้งพวงอันใครๆก็คือพวกเรานี่แหละไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นดีก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นชั่วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสวยก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นรวยก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ้ามีภรรยาทรัพย์สมบัตนะิอะไรก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่สิ่งทั้งปวงอันไกลไกไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูเพราะไอ้ตัวกูมันไม่มีพอ ป, ป, ปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทแล้วตัวกูมันไม่มีตัวกูมันหายไปเมื่อตัวกูหายไปก็ไม่ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้ว เมื่อเรายังมีตัวกูอยู่มันก็ข้าไปยึดถือในตัวกูพอไปแยกตัวกูออกหมดอา้าวตัวกูมันไม่มีนี่เมื่อตัวกูมันไม่มีจะข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรตัวกูก็ไม่มีของกูก็ไม่มีฉะนั้นอย่าข้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่จำไว้ให้แม่นแม่นทุกคนจะต้องจําคาถานี้สเพ ธ, ธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งปวงอันไครไกไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนอาวิชาเกิดก็เพราะเข้าไปยึดมั่นถือมันออม่นจิตเข้าไปยึดมั่นถือเข้าไปยึดมั่นถือถือมั่นจิตสังขารกายสังขารวาจีสังขารมาโนสังขารเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่น วิญญาณตัวรู้ก็ถูกความยึดมั่นถือมั่นนามรูป้วิยตนาปัจสาวิตนาตะหนาวปาทานเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้คือความทุกข์ในวงจรนั้นก็เพราะเหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่นไอ้นี้ถ้าเราทําความยึดมั่นถือมั่นให้มันดับไปเสียอาวิชชามันก็ดับสังขารมันก็ดับวิญญาณมันก็ดับมันก็ดับหมดความทุกข์มันก็ดับหมดไอ้นี้เราจะอยู่กับอะไรก็อยู่กับความ สงบเย็นทีนี้ต่อไปก็อยู่กับความดับทุกอยู่กับความดับอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความเย็นนั่นคือชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนจงปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตจริงที่ถูกปลดออกจากโซ่ตรวนปลดออกจากเชือกเป็นอย่างไง มันะงอบอย่างไรมันอิสระอย่างไงเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองฉะนั้นในวันจุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทให้มีธรรมะเกิดขึ้นมาในดวงจิตของท่านให้มีแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตของท่านจงทุกทุกท่านเตือน